สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับบรุนกลับมาพบกับท่านบุฟังเป็นเวลาแห่งการเปิดสถานีเราจเปิดสถานีด้วยรายการแรกคือรายการธรรมะเพื่อให้ท่านบุฟังได้เข้าถึงข้อมูลที่จะทําให้เรามีความสุขในชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความพาสุกมีความร่มเย็นในครอบครัวได้ธรรมะนี่แหละเป็นข้อมูลที่จะ แต่ไม่เกิดความผาสุกความนุ่มเย็นความก้าวหน้าและความสุขต่างๆโดยในการรับฟังนี้ข้าพเจ้าก็จะนําสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้บอกได้สอนอาไว้สอนสิ่งใดไว้บอกสิ่งใดไว้และก็นํามาอธิบายเล่าเปิดเผยให้ฟังโดยที่เป็นบทเพลงชนะบ้างคืออ่านคําที่พระพุทธเจ้าได้เคยพูดไว้บอกไว้ตามหลักฐานต่างๆที่เคยปรากฏอยู่ตามที่ต่างๆหรือว่าโดยเป็นอัถะบ้าง เนีคือเป็นเนื้อหาที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันแต่พระพุทธเจ้าพูดถึงความไม่เที่ยงพูดถึงเรื่องของศีลอาโดยอัดทาเนื้อหาข้อมูลในทางที่มันจะเป็นไปเพื่อให้เห็นความไม่เที่ยงให้ตั้งอยู่ในศีลได้กาวพระเจ้าก็จะเอาสิ่งนั้นมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในการพูดคุยกันนี้แน่นอนบางทีก็มีคําถามข้อสงสัยหรือว่าข้อเสนอแนะใด ซึ่งทางทีมงานของรายการธรรมารับรุญมีตัวก้าพเจ้าเองเป็นผู้อยู่หน้าไมา้มาพบกับท่านบุฟังอยู่เป็นประจำทุกวันมีคุณเตือนใจก็จะแวะเวียนมาในช่วงของวันเสาร์และวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่ที่อยู่หลังไม้แก็มีคุณทรงพลชูเวชคุณปัญญาชมจำปีเหล่านี้แล้วก็ยินดีที่จะรับฟังคำํำตักเตือนโดยความเคารพหนักแน่นคือบุคคลที่อยู่ในธรรมะวั น, นนี้ท่านบุฟัง จะเจริญมีความงามความดีความประเสริฐเป็นผู้งดงามอยู่ได้เนี่ยก็เพราะว่าต้องคอยตักเตือนกันและกันแนะให้ออกจากอาบัตในนี้พระเจ้าได้พูดไปอย่างนี้แล้วก็คนที่รับฟังคําตักเตือนเขาเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่รับฟังคําตักเตือนด้วยความเคารพดังแ น, น่นนี่คือพูดถึงเรื่องของการดําเนินชีวิตตัวตัวไปทีนี้ในเรื่องของการดําเนินรายการทางกับพระเจ้าก็จะใช้หลักการนี้เดียวกันเหมือนกันแต่ผมว่ามีข้อแนะนําใดๆ ในที่ท่านผู้ฟังคิดว่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังรายการท่านอื่นๆแต่ก็ขอแนะนํากันมาได้ก็ยินดีรับฟังสิ่งที่ได้รับฟังข้อมูลต่างๆของท่านผู้ฟังใน ท, ที่ส่งกันมาก็จะมีการพูดคุยปรึกษากันระหว่างทีมงานในรายการโดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะส่งเป็นคําถามในเรื่องราวใดๆก็ได้ที่เกี่ยวกับในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเรื่องราวในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเกี่ยวกับทุกเรื่องแหละท่านผู้ฟัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดําเนินชีวิตในครอบครัวเรื่องการใช้จ่ายเงินทองเรื่องหนี้สินเรื่องการประหยัดอดออมเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเลี้ยงลูกเรื่องการทํางานเพื่องปัญหาสังคมหรือว่าเรื่องความสุขความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งคือรรมะมันมันเกี่ยวไปหมดทุกอย่างแถ้าจะถามในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็สามารถเขียนเป็นจดหมายหรือว่าปรษสนียบัตรส่งมาที่วัดป่า ดอนฮายโศกตั้งอยู่เลขที่1 ห, หมู่8ตำบลดอนฮายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีราัไปรษณียก็ส1่หนนอันนี้สำหรับคนที่สะดวกในการเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรส่วนคนที่สะดวกในการใช้คอมพิวเตอร์ใช้อินเทอร์เน็ตเราก็ไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ com p u r e d h a m m a com ึ่นก็สามารถที่จะส่งข้อความกันมาได้ วันนี้ก็มีจดหมายของท่านผู้ฟังนะจากจังหวัดชายภูมิคุณหนูลำมเขียนมาจากอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชายภูมิถามเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติท่านฟงังจริงๆก็เล่าให้ฟังแหละนะคุณหนุลำม์เล่าให้ฟังว่าได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดาวนิโสกตอนแ ร, แรกก็ไม่ได้เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนแต่ทําไปทําไปมีลักษณะการที่แบบปวดหัว เนื่องจากมีการบังคับจิตข่มจิตมากเกินไปแล้วก็เลยปวดหัวแต่หลังจากมีการฝึกปฏิบัติไปแต่ทําอยู่อย่างถูกต้องค่อยฝึกค่อยทําไปแล้วก็ถึงจุดหนึ่งที่ว่าอาการปวดหัวนั้นหายไปแต่ก็จึงพึ่งเข้าใจถึงบางอ้อแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงๆบางอ้อนี้อยู่จังหวัดอะไรแต่ว่าอยู่ชายภูมิแน่ที่ว่ามีความเข้าใจนั้นก็คือเข้าใจว่าถ้าบังคับแล้วมันจะปวดหัวแต่ถ้าไม่บังคับ ก็คืออย่างกรณีของการที่เราบังคับจิตให้ไม่คิดหรือบังคับจิตให้มันคิดแต่มันคิดแล้วมันคิดไม่ออกมันก็จะปวดหัวแต่ถ้าพยายามที่จะบังคับจิตไม่ให้คิดแล้วมันจะไปคิดเราก็าจะปวดหัวอีกเหมือนกันแล้วก็มีความเข้าใจตรงนี้แตตรงนี้จะเป็นประเด็นที่ครับเจ้าอยากจะนํามาบอกเล่าอธิบายให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นได้ได้รับทราบเหมือนกันว่าบางทีการฝึกปฏิบัติ่ที่เป็นรูปแบบ หรือการฝึกปฏิบัติชนิดที่ไม่เป็นรูปแบบหรือว่าการทำงานในชีวิตของเราเหมือนกันเลยตามาฟังต่คือถ้ามันมีการบังคับมากนะมันก็จะถึงจุดที่มันไม่ค่อยสมดุลทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำตรงนี้สักนิดหนึ่งก่อนอย่างเช่นว่ากรณีที่เราจะฝึกจิตของเรานะให้มีอารมณ์บัเดียวในเครื่องมือที่บุาให้ไว้ก็คือเรื่องของสติถ้าพูดโดยรวมกว้า ง, ก, า ง, ก, างก็คือตรงนี้คือการมีสติอา้าวแล้วคุณจะเอาอะไร เป็นที่ตั้งของจิตในการที่จะฝึกสติพูดให้เฉพาะจ่โจงลงไปหน่อยก็จะเป็นมีกายบ้างมีเวทนาบ้างมีจิตบ้างมีธรรมบ้างพูดให้จ่โจงลงไปอีกแล้วก็ตรงลมหายใจบ้างบางคนก็จะนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสติบางคนก็จะนึกถึงพระธรรมก็เป็นธรรมานุสติบางคนนึกถึงความดีความงามของตัวเองก็เป็นศีลานุสติเป็นเทวานุสติบ้างซึ่งตรงนี้คือวิธีการ ที่จะทําให้เกิดสติเกิดขึ้นแต่ซึ่งแน่นอนการที่เราจดจอ่อเอาใจจดใจจ่อไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งแต่าการที่เราเอาใจ จ, จดใจจ่อไว้นะที่จุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันต้องมีการควบคุมแน่อย่างเช่นเราขับรถเราพยายามจะควบคุมรถให้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอันนี้แน่นอนเป็นลักษณะของการควบคุมอาจจะเราจะเปรียบเทียบในทางตรงกันข้ามแตจิตที่ไม่ได้รับการควบคุมเปรียบเทียบกับรถ ที่ไม่ได้รับการควบคุมนล้วมก็สายซ้ายสายขวาแล้วมันก็ไปไม่ถูกทางตามที่ต้องการจิตที่ไม่ได้รับการควบคุมก็เดี๋ยวคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อดีตนาคตคนนั้นคนนี้คิดเรื่องที่มันจะปวดหัวปวดใจปัญหาบ้านเมืองเป็นยังไงมีไม่มีจบไม่จบก็คิดกันไปเรื่องของลูกเรื่องของผัวเรื่องของเมียเรื่องของพ่อแม่เรื่องของคนนั้นคนนี้เอามาคิดไปคิดมากไปนี่ก็ปวดหัวอีก แต่เป็นลักษณะที่จิตฟุ้งซ่านไปไม่ได้รับการควบคุมเหมือนนกกระจอกแตกรังลักษณะนี้คือจิตก็จะไม่ได้รับการควบคุมมันก็ฟุ้งซ่านไปเดีตัวอย่างที่สุดตรงไปเลยก็เช่นคนบ้าคนประสาทอย่างเงี้ยเดี๋ยคิดเรื่องอะไรก็พูดได้ยินเสียงในใจอะไรก็พูดออกมาเห็นสิ่งนั้นทห้งสิ่งนี้และไม่สามารถที่จะควบคุมจิตให้อยู่ในร่องในรอยได้ก็เป็นโรคประสาทเดี๋ยวฟุ้งซ่านบ้าบออันนี้ก็เป็นลักษณะโรคจิตอย่างหนึ่ง หรือแม้แต่คนที่มีลักษณะมีสองพฤติกรรมอยู่ในตัวเดียวกันในสัพท์ทางด้านจิตปริยาเขาก็าใช้คำว่า multi-personality l เหมือนกับเป็นสองคนในร่างเดียวอย่างเงี้ยอันนี้ก็ลักษณะที่ว่าจิตนั้นไม่ได้รับการควบคุมไปคิดตรงนั้นไปยึด ต, ติดตรงนั้นว่านี่เป็นตัวฉันอีกตัวหนึ่งไปยึด ต, ติดตรงนี้กับนี่ว่าตัวฉันอีกตัวหนึ่งแต่บางทีมีตั้งหลายตัวอยู่ในคนเดียวกันแี่ก็เป็นลักษณะอาการทางจิตอย่างหนึ่งที่มันฟุ้งซ่านไปบ้าบอไป เดเข้าข่ายมันเป็นโรคจิตอย่างนั้นแต่ี้คนที่ปกติเนี่ยก็จะต้องควบคุมได้ในระดับหนึ่งแต่ที่ไม่ให้มันเกินไปสุดตรงถึงตรงนั้นทีนี้ถ้าควบคุมมากเกินไปรัดแน่นเกินไปเได็กก็เรียกว่าเป็นการบังคับเกินไปเนี่ยมันก็จะไปสุดตรงอีกข้างหนึ่งละ่ะในเป็นลักษณะที่แบบจับล็อกจับขังเดไม่ให้จิตนั้นไปไหนได้เลยเด็กมันก็อึดอัดเกินไป ทําให้จิตนันอาจจะมีลักษณะการดีดติ้นออกมาเป็นอาการปวดหัวเป็นอาการปวดท้องเป็นอาการอย่างใดอย่างหนึ่งทางร่างกายอันนี้เป็นไปได้ซึ่งตัวนี้คือลักษณะของที่คุณหนูหลามได้อธิบายให้ฟังแต่ว่าตัวเองเคยปฏิบัติเล่าปวดหัวนั่นก็เพราะว่าบังคับจิตมากเกินไปบังคับความคิดบังคับจิตบังคับลมหายใจซึ่งถ้าผู้ปฏิบัติ ด, ด้วยวิธีการอื่นๆก็อาจจะบังคับอุปกรณ์ที่ตัวเองใช้ เช่นบางคนปฏิบัติเรื่องของพุโทโธอย่างเงี้ยระลึกถึงพระุูปเจ้าเนี่เอาใจจดจ่อบีบบังคับมากเกินไปบางทีอาจจะปวดหัวได้หรือว่าพิธีการปฏิบัติอื่นๆก็คืจะมีการบังคับจิตแต่ซึ่งอันนี้ก็เป็นสุดโต่งอีกด้านหนึ่งนั่นคือสุดโต่งด้านหนึ่งคือปล่อยเต็มที่เลยนั้นไปไหนก็ไปฟุ้งซ่านไปอาจจะเลยเถิดถึงเป็นโรคปราาะสาทโดยเฉพาะยิ่งคนที่เห็นนิมิตเห็นรูปเอ่อเป็นภาพเป็นเสียงอะไรต่างๆแล้วตามไปปล่อยไปอย่างเงี้ย อาจจะเป็นบ้าได้แต่นี้ข้าพเจ้าเคยเห็นโดยเฉพาะยิ่งท่านบูฟังที่ชอบเห็นนิมิตตรงนั้นเห็นนิมิตตรงนี้เป็นรูปเป็นแสงบางทีเป็นเรื่องราวเล่าให้ฟังเหมือนฝันไปอย่างนี้เลยแต่ว่านั่งสมาธิอยู่เนี่แหละแล้วก็ตามไปการที่ตามไปตรงเนี้อาจจะทําให้เราแบบยิ่งฟุง้งซ่านหนักเข้าไปอีกแต่แต่ว่ามันเป็นเรื่องราวที่น่าชวนติดตามเมือเกินออกจากสมาธิแล้วก็ยังจําได้มาเล่าให้ฟังอีกต่างหาก อันนี้แสดงว่าตามปะหลักไม่อยากไปตามตรงนั้นนั่นก็จะทำให้จิตมั น, มนไปนอกแนวจิตเราไม่มีสติจิตเราไม่มีสมาธิแตนะ่สุดตรงอีกข้างหนึ่งก็บังคับมากเกินไปแต่นะาบาังคับมากเกินไปก็จะปวดหัวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของจิตที่มันจะสมดุลนะที่มันจะดีก็คือควบคุมบ้างควบคุมในลักษณะที่ไม่ให้จิตมันฟุ้งไปสั้นไปควบคุมในลักษณะที่ไม่ให้จิตนั้น ถูกบังคับขู่เข็นถ้าจะพูดให้ถูกศัพท์ก็คือควบคุมให้อยู่ในมัดควบคุมให้อยู่ในทางในทางนี้มีองค์ประกอบอยู่8อย่างแในเป็นทางอันเปรซควบคุมจิตของเราให้อยู่ตรงนี้พระอาจารย์ตัดไปอย่างนี้ท่านผู้ฝังบอกว่าจิตดวงไหนก็ตามเนี่ยที่มีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังเกตปามีสัมมาวาจาสัมมากรรมตตาสัมมาอชีวะสัมมาวายมะแล้วก็สัมมาสติเนี่ยจิตดวงนั้นเนี่ยเป็นจิตที่มีสัมมาสมาธิ เด็นในเรื่องของมรรคแปดองค์ประกอบต่างๆ8อย่างนี้อยู่ในจิตของเราในะจิตที่แวดล้อมมีบริขารเจดอย่างในะจิตแบบนั้นคือจิตที่เป็นสัมมาสมาธิแตนะซึ่งแน่นอนถ้าเรามีสติเนี่ยสตินะสติคือการระลึกได้แตนะ่ลักษณะการควบคุมมันอยู่ตรงนี้แตนะ่คือการระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นกุศลนะในที่นี้คือกายเวทนาจิตอริยธรรมแตนะ่ถ้าเราไประลึกถึงนอกจากตรงนี้ เดเช่นไปนึกถึงนิมิตนึกถึงเรื่องราว เ, าเห็นภาพเห็นแสงก็ตามไปอันนั้นไม่ใช่สติละเป็นเป็นมิจฉาสติเนืเผลอสติไปในเรื่องนอกแนวมันก็จะพาไปในเรื่องที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไปเรื่องที่เป็นมิจฉาสมาธิเน่ยจะไปเลยเถิดถึงให้เป็นเป็นประสาทเป็นฟุง้งซ่านไปได้แต่ถ้าเราอยู่ในทางาคือมีสัมมาสติคือสังเกตลมหายใจให้มีกายเวญทนาจิตดุจธรรอยู่ที่นี่ จิตไม่ฟุ้งไปชั่นไปในภายนอกเห็นนิมิตสิ่งใดก็ไม่ถือว่าสิ่งนั้นเป็นตัวตนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่นํามาพูดต่ออะไรต่อเห็นแล้วก็ว่างไปเลยนไม่ได้ต้องไปสนใจอะไรมันมากอะไรที่มันเกิดแล้วไม่ดับนั้นมันไม่มีแต่เห็นตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วอ่ะแสดงว่าเรามีสติมันคงอยู่จิตที่มีความเป็นอารมันเดียวอย่างนี้เห็นอย่างนี้นั่นก็เป็นสมาธิเกิดขึ้นอันนี้คือลักษณะที่ถูกต้องแต่แล้วถ้าเบอกว่าบางทีเรา จอมากเกินไปบังคับมากเกินไปนะเพ่งเกินไปนะคําว่าเพ่งเกินไปนี่ก็หมายความว่าบังคับมันแต่ถ้าจะไปบังคับเช่นบังคับลมหายใจให้สั้นหรือให้ยาวให้เร็วหรือให้ช้าให้ห่างหรือให้ทีให้ค่อยหรือให้แรงเนี่ยการบังคับกายตรงนี้ในเรื่องของการบังคับลมหายใจก็ต้องใช้จิตบังคับแต่จิตก็ถูกบังคับไปด้วยแต่ในการปฏิบัติการทำเนี่ยจำฝั่งมันต้องทําอย่างเป็นธรรมชาติ แต่ทำอย่างเป็นธรรมชาติก็ไม่ใช่ว่าปล่อยไหลไปจนสุดโตยด้านหนึ่งว่าอันก็ปไหลไปตามความคิดความนึกก็ไม่ใช่อย่า ง, งานั้นก็ไม่ใช่ธรรมชาติอย่า ง, งานั้นแต่ให้เป็นธรรมชาติในลนักษณะที่ให้มีการควบคุมอยู่ในทางให้มีการควบคุมอยู่ในทางอันประเสริฐให้มีทางควบคุมอยู่ในทางที่ประกอบด้วยองค์8ปดอันประเสริฐนี่ควบคุมอยู่ตรงนี้นี่คือทางถ้านดำฟังสามารถที่จะควบคุมจิตให้อยู่ในทางอันประเสริฐที่ประกอบด้วยองค์8อย่างนี้ การควบคุมตรงนี้ของเราเนี่ยอยู่ในทางแล้วนะมันจะพาไปวิมุตได้มันจะพาไปนิพพานได้แต่ความว่าวิมุตนี่หมายถึงหลุดพ้นแต่พ้นจากการที่เราจะต้องไปเป็นไปตามอํานาจของอารมณ์ต่างๆาเช่นคนด่าเราแต่ถ้าเราควบคุมจิตของเราให้อยู่ในทางนะทางนี้ตรงทางประเสริฐ ด, ด้วยนะมีองค์ประกอบ8อย่างนี้นะคนด่าเราเนี่ยถ้าเราไมไ่อยู่ในทางนะแต่คนที่ไม่ได้อยู่ในทางแล้วถูกคนอื่นดา่าด่าปุ๊บเนี่ย มันจะปรี๊ดขึ้นทันทีมันจะจี๊ดเลยโอ้ยอะไรฉันทําดีขนาดนี้ทำไปเติมมาบ้างฉันน่าสวนกลับไปทันทีไม่รู้ส่วนาอะไรกลับไปแต่มันเร็วมากเร็วมากจนบางทีเราตามความคิดไม่ทันพูดชั่วพูดอยาพูดบดพูดเท็จพูดเล่นพูดบ้าพูดบอไปอันนี้คือนอกทางน่ะเป็นมิจฉาวาจาอยู่นอกทางเป็นมิจฉาสังกปะอยู่นอกทางอันนี้คือจิตนั้นไม่ได้รับการควบคุมไปแล้วไปเรื่องใหมายไปแล้วแต่ถ้าบอว่าจิตเราอยู่ในทาง แต่มีสติอยู่มีสมาธิอยู่แต่มีเมตตาด้วยเห็นอยู่ยังถูกต้องแต่ถูกดา่าถูกว่าถูกกระทบปุ๊บเราจะอดทนได้แต่อดทนเพราะอะไรเพราะไม่อยากให้มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตแต่จิตที่ไม่มีมิจฉาสังกปะเอาก็เป็นจิตที่มีสัมมาสังกปะจิตที่ไม่มีมิจฉาวาจาเอาก็ต้องมีสัมมาวาจาแต่อดทนบางทีนิ่งเงียบไวในมีสัมมาวาจาก็ไม่ได้พูดสิ่งที่เป็นความชั่วความบาป ใจเราก็อยู่ในทางในมีลักษณะของการควบคุมอันนี้ถูกต้องทีนี้ก็ไม่ใช่ว่าควบคุมจกกนกระทั่งรัดแน่นรัดตึงจิก็จะถูกปีบังคับมากเกินไปแต่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าต้องควบคุมให้อยู่ในทางตรงนี้ก็อาศัยการฝึกตํารวงต้องอาศัยการฝึกลักษณะอย่างที่คุณหนูลําจากจังหวัดชายภูมิเล่าให้ฟังเนี่ยก็ฝึกอยู่เป็นหลายเดือนกว่าที่จะเข้าที่ได้ ถึงความรู้แจ้งด้วยตัวเองว่าอ๋อไม่บังคับเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็เลยเขียนจดหมายมาเล่าให้ฟังและนั่นคือจดหมายจากคุณหนูล่ำจากอำเภอหนองบัวแดง จ, จังหวัดชายภูมิมีท่านผู้ฟังอีกท่านหนึ่งเขียนเป็นข้อความส่งมาทางเพียวธรรมะดอทจากคุณทวินัน์คุณทวินัน์ก็ได้เขียนมาแบ่งปันให้ฟังว่าได้ฟังรายการธรรมะอบรุแล้วก็ได เดียวจากการฟังธรรมะถึงแม้ว่าอาจจะมีที่สะดุดล้มลุ ก, ลกคลานบ้างในช่วงจังหวะของชีวิตบางครั้งอาจจะมีราคาโทา oh um ๊ะศรัทธากรุ่มรุมบ้างแต่ก็ได้ข้อคิดหลายอย่างจากการฟังธรรมะแล้วก็จะค่อยปฏิบัติให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ต, ตรงนี้นแหละคือประเด็นสำคหวังะพุชาจึงบอกว่าการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะว่าในปัจจุบันในยุคปัจจุบันท่านฟัง ในยุคปัจจุบันนี้เอาวันนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้ตอนนี้เรามีกระแสแห่งตันหามีกระแสแห่งราคะโทสะหมอนมันท่วมทับมาอยู่ตลอดแต่คาว่ากระแสในที่นี้เด็กพระเจ้าหมายถึงผัสสะไม่เชื่อลองเปิดทีวีสิไม่เชื่อลองเปิดวิทยุหมุนไปคลื่นอื่นดูสิถ้าไม่เชื่อลองเปิดหนังสือพิมพ์ดูสิแล้เราจะเห็นข่าวคนที่ทําไม่ดีเนื้อเรื่องที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นดันเพราะอะไร ก็เป็นไปตามอำนาจตัณหากิเลสราคาโทสะมัวเราจะเห็นโฆษณาทางทีวีแต่ที่จะมายั่วยวนล่อลวงให้เกิดตัณหาในใจมีราคาบ้างเราจะเห็นเรื่องราวคำด่าคำว่าที่จะมายั่วยวนล่อลวงให้เกิดโทสะบ้างแต่เราจะเห็นเรื่องราวบางอย่างเล่าซะอย่างดีดแต่ไม่เกิดความหลงความงมงายไปในอีกเรื่องหนึ่งบ้างซึ่งตรงนี้บุชาเปรียบเทียบเป็นเหมือนกับ ห่วงของกระแสะน้ําที่มันเป็นกระแสะที่เชี่ยวแล้เราอยู่ในกระแสะน้ําที่เชี่ยวถูกน้ําพัดพาไปนี่คืออุปมารประไม้ที่พระเจ้าเปรียบเทียบกับสัตว์โลกในอยู่ในห่วงของโอคะโอคะคือห่วงน้ําน้ําถ้ามันนิ่งๆมันก็ยังพอจะพยุงตัวหายใจได้นะแต่ถ้าน้ํามันพัดแรงมากแต่เป็นกระแสะที่พัดมาบางทีเราจมหน้าจมหลังลอยขึ้นผุดลงเนี่ย โอ้มันไม่สามารถที่จะแม้จะหายใจสักเพืิงหนึ่งก็อย่างยากทำให้ชีวิตของบางคนเนี่ยโอ้เจอความทุกข์ความเป็นร้อนในชีวิตอย่างมากเนืงเพราะว่ากระแสต่างๆเดี๋ยวพ่อบ้างเดี๋ยวแม่บ้างเดี๋ยวสามีบ้างลูกบ้างเดี๋ยวเมียคนอื่นบ้างโอ้มันหลายอย่างหลายแบบทําให้ชีวิตเนี่ยมีความทุกข์ในกระแสตรงนี้มันพัดแรงมาเราจะทํำยังไงแต่ก็จึงต้องหาที่เกาะนะ่ยที่พึ่งที่มันจะเกาะแล้วพึ่งแล้วให้พอหายใจได้ กาแล้วเพิ่งแล้วพยายามหาทางที่จะเข้าสู่ฟังนั่นเองแตนะ่ที่เกาะที่พึ่งที่จับช่วยตรงนี้นะนี่คือธรรมะจำบังนั่นะคือพระพุทธพระธรรมพระสงค์แ้นะ่กูจะเข้าถึงพุทธะได้ก็ต้องฟังธรรมะกูจะเอามาปฏิบัติได้กูจะต้องฟังธรรมะแตฟังธรรมะแล้วเอามาปฏิบัตินั่นคือสงฆ์ฟังธรรมะแล้วาาปฏิบัติรรแล้ ว, ร, ลวรู้แจ้งในใจแล้วนั่นคือพุท ธ, ธะดังการฟังธรรมตามการนะจึงจะเป็นมงคลอย่างยิ่ง กระแสของตันหากระแสของราคาโทตะโมหะเนี่ยตัวมันก็ยังเปียกอยู่แตนะ่ให้ไปหากระแสใหม่ให้พุ่งเข้าไปสู่ฝั่งให้พุ่งเข้าไปสู่ที่มันจะตัวแห้งที่มันจะไม่ได้ถูกท่วมทับถาโถมด้วยกระแสแห่งอกุสุธรรมเหล่านี้ทําใจของเราอย่างไรฝึกปฏิบัติอย่างไรนะให้ไปอยู่ในแนวทางแต่ซึ่งตรงนี้พระเจ้าก็ใช้คําว่าการท้วนกระแสแตนะ่ท้วนกระแสของตันหาท่วนกระแสของอวิชชา ในการที่มันจะปกปิดในการที่มันจะสัดเราให้ไปสู่ที่ต่ำที่ที่เป็นอบอายภูมิแต่เราทวนกระแสในการที่จะทําความดีซึ่งการทําความดีจำฟังบางทีมันก็ยากแต่ถ้าคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยบางทีทําบางสิ่งบางอย่างแล้วถ้ามันดีต่อให้เป็นความทุกข์เขาก็จะทําบัณฑิตเนี่ยด้วยความอาจหานด้วยความกล้าหานสามารถทาสิ่งที่มันจะเป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลถึงแม้สิ่งนั้นจะทําให้เกิด ความทุกข์ก็ไปเจริญเกิดขึ้นในใจในกายบางทีก็เขาก็ทําแต่ซึ่งแน่นอนบางทีเราฟังธรรมะเนี่ยก็มันหลายสถานการณ์นะท่านฟังบางทีคนหนึ่งเขาก็มาอยากฟังด้วยแต่เราจะฟังคนเดียวทำยังไงบางทีก็ต้องฝืนก็ต้องทวนกระแสเพราะฉะนั้นการฟังทำตามการที่พระพุทธเจ้ายืนยันแต่ตามที่พระพุทธเจ้ายืนยันเอาไว้นะว่าการฟังทำต า, ตามการนั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่จะทําให้จิตใจของเรานั้นมีเครื่องมือ ในการที่จะทวนกระแส ร, ราคาโทสะมาแต่เรายังล้มลุกคลุกคลานมางทีหายใจผุดดำว่ายถูกทําให้สะอึกด้วยเรื่องของปัจาัย ต, ต่างๆที่มาการฟังธรรมะนี่แหละจะเป็นที่ให้เราจับที่ให้เราเกาะที่เราพึ่งพอที่จะหาจุดที่จะออกจากน้ำขึ้นไปบนฝั่งได้ซึ่งในการนี้หนาทางรายการธรรมารับรุ่นของเราหนังก็มีซีดีแจกเต็มไปหมดหนงคือเป็นการรวบรวม รวบรวมรายการทำมาราบรุณที่ออกอากาศไปในช่วงรอบปีที่ผ่านมาซึ่งในช่วงที่ผ่านมาในตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีท่านผู้ฟังเขียนจดหมายขอซีดีโดยส่งเป็นซองเปล่าติดเสต็มมาให้แล้วก็มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งเขียนไปจดห ม, มายมาแต่ว่าไม่ได้ส่งที่อยู่มาด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะส่งซีดีกลับไปให้อย่างไรแล้ก็ขอบอกในที่นี้เลยแต่ถ้าท่านผู้ฟังท่านนี้คือคุณสุขภภกรวิเศษศรี เน่ได้ฟังอยู่เนี่ยก็ช่วยส่งที่อยู่มาให้ที่วัดนิดนึงหรือจะได้ส่งซีดีกลับไปให้ได้ทีนี้ในปีนี้ก็เหมือนกันนในช่วงของปลายปีเราก็จะทำสื่อธรรมะเป็นซีดีที่ออกอากาศมาในทางรายการธรรมารับรุ่นเน่ตั้งแต่วันออกพรรษาของปีที่แล้วจนถึงวันออกพรรษาของปีนี้แนี่ก็รวมทั้งหมดประมาณแปดแผ่น โดทั้งหมด350กว่าตอนกำลังรวบรวมจะทำอยู่ึ่งคิดว่าก็คงจะเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกาหรือว่าเดือนธันวาทันพอที่จะแจกเป็นของความปีใหม่ให้กับท่านผู้ฟังได้และในปีนี้เราก็มีโบนัสซีดีแจกให้ด้วยโดยโบนัสซีดีนี้ก็คือเป็นพระสูตรที่ข้าปเะ้าได้อ่านไว้ออากาศทาง FM ฟเอ็มเป็นเรื่องของพระสูตรภาษาเป็นภาษาไทยด้วยเป็นภาษาอังกฤษด้วย อ่านคู่กันไปอ่านภาษาไทยย่อหน้าหนึ่งอ่านภาษาอังกฤษย่อหน้าหนึ่งอันนี้ออกเป็นประจำอยู่แล้วทาง Fm 8 8แปดของสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยตั้งขึ้นภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเรเดียลไทยแลนด์ตอนประมาณ6กโมงถึง6กโมงครึ่งก็จะนําเรื่องราวตรงนั้นหรือที่เป็นพระสูตรเป็นพุทธพจน์ ท, ที่ข้าพเจ้าอ่านเอาไว้นํามาทําเป็นซีดีแผ่นหนึ่งแล้วก็ให้ไปพร้อมกันกันกบซีดี CD ของรายการธรรมารับรุ่นนี้ด้วยถ้าท่านฟังที่สนใจที่จะต้องการขอรับซีดี แล้วก็ขอให้ช่วยทําตามเงื่อนไขนิดหนึ่งนะโดยการที่ส่งซองเปล่าแต่ซนะองนี้ต้องเป็นซองกันกระแทกขนาด A4 นะโดยการไปซื้อซองกันกระแทกขนาด A4 มาเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่ของตัวเองลงไปนะบนหน้าซองกันกระแทกนีนะ้แล้วก็ติดสแต็ม15บาทเขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองลงไปบนซองกันกระแทกนี้ติดสแต็ม15บาทพับซองนี้ใสนะ่อีกซองหนึ่งมา หนึซองที่อยู่ข้างนอกนี้เป็นซองธรรมดาก็ได้นไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นซองกันกระแดกซองที่อยู่ข้างนอกนี้ก็ให้เขียนส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไตยลเลขที่236ถนนมีพาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพหน0่งศูนยวงเล็บมุม2ว่ารายการธรรมรับปรุนพอเราได้รับซองของท่านผู้ฟังเดี๋ยที่เขียนจ่าหน้ามาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไตย เลขที่สองสามหกจำนวนวิภากวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพหน0่งศแล้วเราก็จะแกะซองข้างนอกนี่ออกแต่ข้างในก็จะมีซองกันกระแทกที่ทางฟังใส่มาเนี่ยเขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองติดสแตมสิบหาบาทเป็นซองกันกระแทกขนาด A4 เราก็จะเอาซองที่ทางฝังส่งมาเนี่ยใส่ CD เข้าไปทั้งหมด9แผน่นแล้วก็ส่งกลับไปให้เนื่อที่อยู่ที่ทางฟังเขียนไว้เป็นชื่อที่อยู่ของตัวเองนั่นเอง สามอีกครั้งหนึ่งนั้นทำฝังอธิบายให้เข้าใจช้าๆ ช, า ช, า ช, าชาัดๆแต่ท่านผู้ฟังต้องการจะรับซีดีรายการธรรมารบรุนในช่วงรอบปีที่ผ่านมาทั้งหมด8แผน่นมีแผ่นโบนัสด้วยเป็นพระสูตรสองภาษารวมทั้งหมด9แผน่นให้ซื้อซองการกระแทกขนาด A4 ซองการกระแทกขนาด A4 นี้ให้ติดแสแตมสิบาบาทติดแสแตมสิบาทขเขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองลงไป เนะี่ยต้องการให้ส่งกลับมาที่ไหนก็เขียนไว้ตรงนี้นะพับสองนี้แล้วก็ใส่อีกสองหนึ่งมาสองข้างนอกนี้เนะี่ยให้เขียนส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่สองสาถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพหน0่งศส่งมาแล้วในะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรับแล้วก็จะส่งแผ่นซีดีกลับไปให้ท่านผู้ฟังเนะี่ยตรงนี้ช่วงเวลาดําเนินการ นนคือในช่วงของเดือนตุลาคมพฤศจิกายนเนี่ยเราจะรับจดหมายจากท่านผู้ฟังแล้วก็จะส่งกลับไปให้ในะภายในต้นเดือนธันวาคมแต่ที่บอกล่วงหน้าเนินๆก็เพราะว่าช่วงปลายปีเนี่ยบางทีจดหมายมันเยอะดังบุรุษัไปรษณีย์เขาทำงานกันอย่างหนักเพราะฉะนั้นบางทีมันมีการช้าในเรื่องของการดําเนินงานเพราะฉนั้นจึงจึงบอกล่วงหน้าไว้ก่อน ใ, นให้ท่านผู้ฟังได้ไดส่งมาล่วงหน้าจดหมายก็จะครบต้วน โอกาสในการที่จะหายในการที่ตกหล่นก็จะน้อยลงกว่าถ้าเราจะไปทําในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคมเนี่ยโอกาสมันจะตกหล่น ม, มันจะมีมากเพราะฉะนั้นถ้าทำได้ก่อนแต่ท่านผู้ฟังต้องการรับแต่เขียนมาได้ก่อนก็ทําตามเงื่อนไขอย่างที่ว่าแล้วเมื่อซีดีเสร็จเรียบร้อยก็คงจะประมาณปลายเดือนพฤศจิกาต้นเดือนธันวาก็สามารถส่งกลับไปให้ท่านผู้ฟังได้ทั้งหมดคิดว่าภายในประมาณกลางเดือนธันวาแตท่านผู้ฟังก็จะได้รับ ส d ดีที่ทำเป็นของสำหรับปีนี้ได้ในารายละเอียดถ้าไฟังจดไม่ทันหรือว่าต้องการจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมแต่สามารถที่จะไปดูได้ที่เว็บไซต์ puredhame.com e หรือว่าฟังรายการวันพวกนี้ก็ได้คราพระเจ้าก็าจะพูดซ้ำๆย้ำๆไปใ น, ในทุกๆวันวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาภัยบุ์อภิปุโ น, โนก็ขอลาไปก่อนเริญเป็น